ปราบแทบเท้านามัสการหลวงตาบัวมหาจารย์นสัมปันโนพออัญชลีการันโยอีกน้องมโนนมัสการท่านนั้นจากใจขออนุญาตที่อาจเอื้อมเอาประวัติเรื่องราว มาร้องเป็นเพลงบรนเลงรายขอเป็นแนวทางเพื่อยกตั้งไว้ประดับเรือนใจในทุกโอกาสไม่ขาดศรัทธาแม้มีสิ่งได้ให้บังเอิญได้ล่วงเกินลังคาทั้งกายทั้งใจวาจาลูกขอพนม กราบราบลงวันท้าแทบเท้าวนวงตาจงโปรดอภยัยสุภรเกรเบิกคำนำมารอ อยากอยร้อยกรองอยู่นานหลายอ่านประวัติเกิดสัทธาภาซึ่งใจตั้งแต่เริ่มรู้ในปฏิปทาจึงบรรจงลงคำนำลิขิตเทิดสถิตเป็นเพลงเปล่งภาษามีร้องบางพูดบางบางเวลาตามภูมิแห่งปัญญาจะพึงมี บทกลอนตอนใดไม่ภายรอไม่สนองตามควรไม่ทวนทีทั้งเนื้อกลอนไม่เกลียยเสียงไม่ดีโปรดจงมีเมตตาอยาคุณเครื่องผู้แต่งร้องน้อยปัญญาแต่ศรัทธาล้นเฝ้าคิดค้นหา นำต่อเนื่องท่านผู้ฟังทุกรุ่นอยา่าคุณนเคืองขอเข้าเรื่องลวงตาตามวาทีทออเป็เคนบ้าเ ตาแต่กำเนิด12สิงหาวันเกิดประเสดสี246พอสอัดีจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองนายทองดีนางแพงโลหิต ด, ดีคือสองบุพการีที่นุ่นเนื่องมีพี่น้อง16คนไม่ฝืดเคือง เนื่องด้วยฐานะดีมีอันจะกินเมื่อเติบใหญ่ไยงานขยันยิ่งการทุกสิ่งจริงใจไยทวินทั้งสองยอมยกย่องไม่มองจินไม่ดีดินนี้งานผ่านราวีขอสั่งการสิ่งใดทำได้หมดแต่เรื่องอุปสมบทเบี่ยงเดินนี้ พูดเรื่องบวชปวดใจไม่ใยดีรีบเดินหนีออกห่างทุกครั้งไปจนวันหนึ่งอยู่พร้อมน้านั่งกินข้าวพ่อก็พูดเรื่องเก่าขึ้นมาทันได้ว่าอยากเห็นชายผ่าเหลืองประเทืองกายพระลูกชายชื่อบัวก่อนตัวจะตายพ่อสูญสิ้นชีวาน้าวิตก ใครจะดึงจากคุมนรกที่หมกไหมพูดแล้วพ่อก็อน้ำตายหยดไหลแม่ก็ปล่อยน้อยใจร้องไห้ตา อยู่สามวันเรื่องการบวชทั้งการเรียนการสวดถั่วในสยามเขาก็เวียนเพียนบวชทุกเขตขามที่ขึ้นชื่อหรือน้ำมีทมไปเราก็ชายัวไรกับเรื่องนี้ใช่บวชชั่วชีวีกันที่ไหนบวชให้หน่อยแล้วค่อยสึกเป็นไรไป จะตายเมื่อไรเรื่องบวชเรียนจึงบอกพ่อบอกแม่ว่าจะบวชให้แต่จะสึกเมื่อไรใครอย่าเปลี่ยนใครอย่ามาห่วงห้ามรามเบียดเบียนอย่าวนเวียนเพียนห้ามให้ทำใจฝ่ายโยมแม่ว่าดีแท บวเสร็จแล้วจะสึกเลยก็ยังได้ถึงแค่คนยังไม่กลับไม่เป็นไรแม่ไม่ห้ามตามใจบวชให้ก็พอท่านคิดว่าโยแม่ที่แท้ฉลาดใครจะกล้าสามารถทำได้ลนะนอบวชเสร็จปุ๊บแล้วสึกปับเมื่อไม่รีรอใครทำได้ลงคอก็เต็มที สิบสองพฤษภาคมสองสี่เจ็ดเจ็ดอายุได้ยีสิบเอ็ดเนอพอดิบพอดีเป็นวันได้เข้าโบสบวชเสียทีก็เพราะบุภกภาเารีจึงจำใจท่านเจ้าคุณพระธรรมมาเจดีพระอุประชาอง์นี้ที่บวชให้ว่า โยธาณิมิตรอยู่ติดในอำเภอเมืองไม่ไกลอุดรธานี